นีที่เป็นกลางในอารมณ์นั้นๆเขาเรียกตัตระมัดชัดตเุเปกขาเนี่ยนะมีส่วนเสมอกันกับเวทนาที่จัดเป็นอุเบกขาในที่นี้ได้เหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็หมายความบอกว่าเป็นตัวอุเบกขาตัตระมัดชัดตเุเปกขาก็คือตัตระมัดชัดตาเจดสิกเนี่ยนะตัวเนี้ยท่านจัดเป็นอุเบกขามีส่วนเหมือนกันกับอุเวทนาในที่นี้ได้เหมือนกันเพราะเขาเกิดร่วมกับวเบวขาเวทนา ตัวตตระมาเชชเปขาตัวนี้เป็นตัวอุเบขานะเป็นตัวอุเบขาสามพ่อชงเป็นอุเบขาสามพ่อชงเป็นองค์แห่งการตัสรูุคําว่าเพราะฉะนั้นพึงเสพนะพึงเสพพึงเสพคืออะไรคําว่าพึงเสพคืออะไรอ้าวลองดูคําว่าพึงเสพทีเศพในที่นั้นพึงเจริญพึงให้เกิดบ่อยพึงให้เกิดเสมอเนี่ยครื่อเสพ ทำให้เกิดขึ้นในใจบ่อยๆทีนี้ไม่ใช่แค่ฟังใช่ไหมถ้าเวขาที่เกิดขึ้นโดยการทําให้เราออกจากสิ่งนั้นหล่อนั้นเหล่านั้นไม่ได้ก็ให้น้อมออกบ่อยๆแล้วให้เตือนตัวเองบ่อยๆว่าเนี่ยอุเบกขาสาเรือนเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยให้มันเกิดต่อไหมถ้าให้เกิดต่อแปลว่าเราไปเสพอุเบกขาที่อาศัยเรือนน้อมคิดบ่อยๆ เพราะเวขาเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งเยอะมากในอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องมาจนชินแล้วอาหารเนี่ยกินแบบซ้ําๆำซากสักสองสาวันมันก็เวขาแล้วบางทีวันนั้นแหละนั่นเวขาประเภทนั้นให้คิดในใจตลอดเวลาสติต้องเกิดขึ้นมาวิจัยแล้ววิจัยยังไงยอมสุายหน้างเตือนยังไงเตือนตัวเองยังไงว่เาเวขาเหล่านี้ไม่ควรไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เกิด การตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ตั้งใจบ่อยๆบ่อยๆ่อยๆนั่นแหละแป่ว่าเราน้อมที่จะออกจากอี้ยค้าที่อาศัยเรือนเพื่อเข้าหาเบียค้าที่อาศัยในกรรมก็วิจัยวิจัยเอางานทางมโนทวารมันยากไหมไม่ยากรนักคิดเพื่อเจอกันันเองใช่ไหมเป็นคนคิดเพื่อเจอพุ่งซ่านกันมาเยอะแล้วจริงไหมมหาก็เป็นนักคิดกันเองนี่ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนักสร้างวิมารในกาศกันเยอะแยะใช่ไหม มันน่กคิดกันทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเปนมนุกรรมเป็นทางกรรมทางมนุษวานวิปัสสนาเนี่ยทำง่ายแต่ไม่คยคิดกันเนี่ยนะไม่ค่อยชอบคิดกันนี่สิเพราะจะให้คิดให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เอาแล้วไอ้ที่ไม่ให้คิดน่ยชอบคิดดีจังอ่ตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าท่าบอกว่าพึงเสพนะเวขาที่เกิดขึ้นด้วยหน้าทของเนคขม้าด้วยหน้าทีของวิปัสสนาด้วยหน้าที่การตามบันลึกในนุสติด้วยาน้าท่ของบทธมชาต ทุติยชาติชาตจตุติชานอาการสาัญญายตนาวิญญาัญญาเยตนาอากิญญายตนาและผลเนว่าสัญญาณาสัญญายตนาเนี่ยผลเสียตรงนั้นน่ยไปจะถึงนุ่นอนุปาทานริยิปานเขาจอย่างเวลาท่านลาเขาไว้เนี่ยเดินนี่ถึงเนกขมาจริงๆสูงสุดนุ่นอนุปาทานวริยิปานนึ่เป็นสภาพที่ออกแกกรรมได้พูดถึงผลพาดิถึงเหตุพูดถึงเหตุภาดิถึงผลยังไงก็ต้องไปเข้าใจตรงนั้นด้วย พอสูงสุดจริงๆในการที่เราจะไปคือนเนคขมารจริงๆคือการได้อนุปาธาบริณิพานคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกลัวไหมเขาม่าจอนพระเจ้าเนี้ยยอมสรวรรนะผมกลัวอนุปาธาบริณิพานไหมคือการปริณิพานแล้วไม่ต้องเกิดอีกอะกลัวไหมนั่นแหละนเนคขม่สูงสุดจริงๆต้องน้อมไปที่นู่นต้องน้อมไปที่นู้นอนุปาธาบริณิพาน มันจะได้ไม่กลับมาเป็นขี้ค้าขกิเลสอีกจะได้มยังไม่กลับมาเป็นธาตุของกิเลสอีกใช่ไหมเจ็บปวดไหมล่ะเป็นธาตุของกิเลสเนี่ยเจ็บปวดเป็นธาตุของกิเลสนี่เจ็บปวดแล้วเจ็บปวดมายาวนานแล้วประกาศตนเองจะเป็นทาตของพุทธเจ้าก็เป็นจริงๆใช่ไหมสำนึกตลอดตีว่าเราเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนายีอิสระเหนือพระพุทธเจ้า ก็แปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกอย่างไรทาา ท, ที่ซื่อสัตย์ต้องไม่กระบฏต่อคําสอนของท่านนี่พระเจ้าก็บอกตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเราเป็นทาทไม่เชื่อฟังกระดนลงโทษถูกลงโทษตลอดเลยนะเนี่ยอ้าวโดนลงโทษยังไงยอมบองคนดนลงโทษปะไงต้องไปแก่บ่อยไหมต้องไปเจ็บบ่อยไหมต้องไปเกิดบ่อยไหม ต้องไปตายบ่อยๆใช่ไหมต้องไปโศกบ่อยๆเนาะปริทีวะทุกขโทมนะสารอุบายะนี่ไงท่าที่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าโดนลงโทษหรือยังโดนแล้วทุกวันเนี่ยโดนลงโทษกันอยู่ยังไม่เจ็บปวดอีกนี่ท่าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจา้าถ้าท่าที่ซื่อสัตย์แบบ น, นี้เราก็ไม่ต้องโดนลงโทษอย่างนี้หรอกไม่พูดหนักไว้บอกวันเนี้ยเอาจิงๆถ้าท่าจริงๆใช่ไหม เราเข้าใจกับว่าท่านเนี่ยท่านถ้าตามนายสั่งรูปการเนี่ยท่านคนนั้นปลอดภยัยไม่โดนลงโทษแต่เราไม่ใช่ท่านที่แท้จริงนี่ถ้าเป็นท่านจริงๆเราปลอดภยัยเราพ้นทุกไปตั้งนานแล้วใช่ไหมท่านมันก็ต้องไปอยู่กับพู้ได้เจ้าสิอันนี้เราไม่อยู่กับผู้ได้เจ้าเดี๋ยวจะเป็นท่านที่ซื่อสตัตย์ได้ยังไงเนี่ยเห็นส่วดมนต์ธรรบ่อยไหมบ่อยยังไงแล้ว ร่องท่องนี้พุทธัสสะหาสมีทาสโสวพุโทโธเมษามิกิโสโลพ้าพเจ้าเป็นอะไรพูดพูดเสร็จแล้วลืมพูดพูดเสร็จแล้วก็ลืมลืมยังไลืมแล้วตรงนี้ต้องเอามาตนหนักตะหนักตรงไหนเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยใช่ท่าแล้วทำตามที่เจ้านายคือพระพุทธเจ้าสั่งไว้ไหมใช่ไหมเราบิดพิวอขอสักหน่อยนะขอใช่ไหม ขอกินอาหารอร่อยอ่อยน่ยพุทธเจ้าว่างไงเวทนาที่สมนัตที่อาศัยเรือนพุทธเจ้าบอกอย่าเสพเราก็จะเสพอยู่นั่นแหละเสพเวทนาที่อาัยเรือนอยู่นั่นแหละโทมนัสที่อาศัยเรือนก็อย่าเสพเวขาอายเรือนที่ก็อย่าเสพให้เสพสมนัตที่อาศัยเนคคามะให้มีวิปัสสนาในขณะสมนัตเกิดเนี่ยนะโทมนัสเกิดก็ให้ใส่วิปัสสนาเวคขาเกิดก็ให้อาศัยวิปัสสนาเราก็ไม่ทํำนี่หรือถ้า เอาหนี้หรือทาใช่ดไหมนี้ก็ต้องไปสวดใหม่บท น, นี้่สวดแล้วออกมาคิดจริงไหมมาหาไม่ยอมคิดไม่ยอมวิจัยไม่ยอมตรึกไม่ยอมระลึกเนี่ยแล้วจะเป็นธาตุแปลกแปลกเป็นธาตุประหลาดใช่ไหมหนะเขาก็เจ็บปวดเพราะเราอย่าลืมนะเพราะออกจากการเป็นธาตุพระเจ้าปุบ ก, ก็คือธาตุตองตัณหาแล้วตัณหามันให้อะไรเรา ตั้หานี่แหละทำโทษเราไหมพระพุทธเจ้าการมาเป็นท่าของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีพระมาหากรุณาธิคุณพระเจ้ามีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระเจ้ามีพระปัญญาคุณพระเจ้ามีพระคุณเพราะเป็นท่าพระพุทธเจ้าเราปลอดภัยเราไม่เจ็บปวดคือเราไม่รู้จักคบพระพุทธเจ้าตลอดวันตลอดคืนเยอะไหมถ้าเราอยู่ในคําสอนของท่านเสียไม่เดินออกจากคําสอนแค่นี้แหละ มันไม่ยากหรอกอย่าเดินออกมามันเจ็บปวดพระเจ้าบอกนี่ยร่องร้อยเนี่ยท่านเดินตามนี้บอกเธอเดินตามนี้นี่เราก็โดดแผลมออกมาเรื่อยแล้วก็มานั่งเจ็บปวดกันอย่างย่อมูเป็นนี้บอกเราแสดงอรามาหาเพราะอะไรมันดิงมันได้เป็นพระภาคเพราะ อ, อะไรสาเหตุเนี่ยอาตธรรมมหาเธอเดินออกก็ออกเลยเนาะออกไปลปล่อยเนื้อป่อยตัวเลยนะ เอกี้บอกไปแล้วในตอนต้นรายการเนี่ยมาบอกอรายละเอียดไว้ล้วบอกเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะหมุนให้เกิดขึ้นยังไงเนี่ยบอกไว้เป็นเดแล้วถึงมาสรุปลงตรงเนี้เนี่ยเรื่องเวทนาที่พูดมากที่สุดเลยนะเนี่ยเคลที่พูดมากเพราะรู้ว่าจะทํำยังไงให้วิจัยได้ที่พูดให้ฟังตรงนี้ก็เพราะว่าก็ต้องการนี่ยเรารู้จักคําว่าให้สังเกตด้วยนะว่าพึงเสพอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของเนคขมมะ เนคข ม, ม่าทุกระดับคือการคิดออกแาก่กามเนี่ยต้องเสพหมดแม้แต่ในปัจจุบันแม้วิเดินวิปัสนาไม่ได้เนี่ยก็ต้องน้อมออกนั่นแหละคือเป็นเนคข ม, มา่าทั้งนั้นเองน้อมออกตลอดเนี่ยเป็นเนกข ม, ม่าเขาออกแก่กามคิดออกออกาก่กามแล้วก็เนคข ม, ม่าที่อาศัยวิปัสนาที่วิจัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์วิจัยตาหวจมุกลิ้นกายใจ วิจัยอายตนาทั้งหกธาตุแรงต่างก็ว่าไปใช่ไหมวิจัยอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจากละเอียดเร็วแปลนี่เนี่ยตัววิปัสนาต้องวิจัยอันนี้เป็นเน่คัมมาให้เสพเวทให้เสพอุเบกขาแบบเนี้ยเริ่มหน้าจแห่การตามระลึกตามเล็กในไหนตามเล็กในพุทธานุสติดัมมานุสติสังคาสีราชาคาอุปสมาเดวตากายะคตาอานาปันสติเนีย่ยตามเล็กไปเถอะ เนี่ยเสพเข้าไปเสพไอเวขาแบบนี้แล้วก็ในปฐมฌาน ต, ตุธีฌานตัฏฐิฌานเจดุยฌานถ้าได้จเจดุจฌานเบสศยก็นั่นแหละเสพอากาสาญจายตนาวิญญาอากินเนวะระนูนน่จนเข้าสัญญาเวทยิตติโรธก็ใจเยังเสพอย่างนั้นน่ะจนถึงอนุปาธาปริธานดับเลย เลืนดับโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะก็ให้เสพเวทนาให้เสพเวทนาที่เวเวขาเวทนาแบบนี้ทีนี้ในบทเหล่านั้นน่ะหากเวขาใดยังมีความตรึกยังมีความตรองแม้ในอุเบขาที่อาศัยเนคขม่าก็พึงทราบว่าเป็นอุเบขาที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์เกิดขึ้นด้วยอำนาจถึงเนคขม่าด้วยอำนาจถึงวิปัสนาอนํานาจถึงการตามันลึกและด้วยอำนาจถึงปฐมฌานเป็นต้นตรงนี้กล่าวอย่างนี้ได้นะสมมุติสมตสมติว่าได้ กรณีที่อุเบกขาเนี่ยมันยังมีวิตกอยู่อุเบกขาที่เป็นไปในมหาบุญชมีวิตกเนาะนั่นแหละมันยังมีการตรึกยังมีการตรองมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารณอยู่อาศัยเนกขมารการคิดออกเหตุการณ์มคุณที่เป็นอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขาที่ยังมีวิตกที่เกิดขึ้นด้วน้าของเนกขมารหรือด้วยหน้าของวิปัสสนานี่มีวิตกอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะเห็นการตามเลิกและด้วยหน้าของปฐมฌานปฐมฌานก็มีวิตกอยู่ใช่ไหมอุเบกขาในนั้นน่ยยังมีวิตกอยู่ ทีนี้ผู้เบียาใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ให้ทราบว่าเบียาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นในร่างของทุติยชาติทิชาจตุติชาตแล้วก็อาการซาอากินวิญญาณนี้ว่าอันนี้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์พอร์วิตกวิจารณ์ได้แล้วคําว่าเราใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ปราณีกว่าความว่าในเวขยาทั้งสองนั้นเบียาไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์นั้นปราณีตกว่า คำนี้เป็นอันท่านกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอาราัตผลของสองท่านอย่างไรท่านก็พูดเลยแตเนี้ยก็เล่าเรื่องให้ฟังจเจริญวิปัสนาในเวคายกตัวอย่างพระท่านก็บอกภิกษุรูปหนึ่งเมื่อเริ่มตั้งวิปัสนาในเวคาที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์แล้วก็มาคําควนถึงเวคาใัายอะไรได้ปฐมฌานปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติเวทนานะเอก ะ, กะตะเวทนาตรงนั้น วเวทนานะี่ยที่จริงท่านได้ผฐมชาเนี่ยนะกรณีที่วิปัสสนาญาณของท่านเกิดขึ้นเป็นไมโคเบ ข, เขาก็ดีหรือที่เกี่ยวกับในกรณีที่อุเบขาที่เกิดขึ้นจากการได้อุปจาระก่อนหน้านั้นเป็นต้นก็ดีหรือเกี่ยวกับอุเบขาที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นไปในชีวิตจริงของท่านก็ได้การพูดถึงอุเบขาก็หมายถึงพูดถึงเวทนา เมื่อพูดถึงเวทนาก็ต้องพูดถึงธรรมที่สัมพยุติกับเวทนาด้วยก็พูดถึงสัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ก็พูดถึงกลุ่มสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นเองกลุ่มถึงนามธรรมต่างๆก็จะเข้าไปด้วยนามธรรมเหล่านี้อาศัยอะไรอาศัย ก, รการาชกาลเห็นไหมก็คืออาศัยมหาพูดและอุปาทิยูปสรุปรตรงนี้ท่านต้องการจะมาวิจัยว่านามธรรมเป็นอย่างนี้รูปธรรมเป็นอย่างนี้บัญญัติธ ร, รรมเป็นอย่างนี้ปรมาถธรรมเป็นอย่างนี้ ท่านวิจัยในลักษณะอย่านี้เพื่อทําทิฏฐิวิสุทธิหรือวิปัสสนาญาณเบื้องต้นให้ให้ให้เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมทีนี้กรณีต่อไปก็ท่านจะเริ่มศึกษาเริ่มวิจัยดูปัจจัยของรูปของน้ำเหล่านี้ไอลักษณะนี้ก็กลางขาววิตรณวิสุทธิ์เป็นต้นหรือว่าปัจจัยปริฆ า, ายานก็เกิดขึ้นในส่วนจริงๆท่านก็ไปแทงทะลุทะลวงในเรื่องของกรรมทัเองอดีตกรรมและปัจจุบันกรรมเป็นต้นเข้าใจทั้งอดีตกรรมเข้าใจทั้งปัจจุบันกรรมเข้าใจทั้งสะสมภารกรรมนะ เข้าใจถึงว่าฉันท่าเกิดร่วมกับกรรมยังไงปัญญาเกิดร่วมกับกรรมยังไงวิริยะเป็นต้นเน่ยเกิดร่วมกับกรรมยังไงเป็นต้นหรือธรรมะต่างๆที่เกิดร่วมกับเจตนาเป็นต้นยังไงเนาะท่านก็เข้าใจทั้งตัวปัจจุบันกรรมหรือตัวเจตนาแล้วก็สะ ส, าาสมมารลกรรมแล้วเข้าใจปัจจัยเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจถึงเหตุปัจจัยเข้าใจถึงหลักปฏิจจะอะไรตามสติปัญญาแต่ละบุนคคลเนี่ยกว้างแคบไม่เท่ากันเนี่ยนะแต่โดยหลักก็คือท่านเข้าใจปัจจัยและปัจจุบัน พอเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านจะเห็นปัจจุบันธรรมในความไม่เที่ยงเพราะปัจจัยไม่เที่ยงอย่างไงก็จะเข้าใจเข้าไปอย่างนี้นขั้นทะุทะลวงวิธีคิดแบบนี้เข้าใจใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ในสุดจริงก็ตรายละก็ปรากฏอย่างเงี้ยท่านก็พิจารณาไปแบบนี้แหละเขาเรียกอิเคราที่อาศัยก็จะทราบว่าใัยวัตถุแล้วก็ตามอยู่ในอารัตผลโดยลําดับตามในที่กล่าวมาแล้วในหมวดของภาษาป็นที่ห้านั่นแหละภาษาเวทนาสัญญาเจตนาวิญ ญ, ญาณ นั่นแหละสรุปแล้วท่านพูดถึงนามธรรมา ท, ทั้งหมดเลยท่านท่านพูดหมวดห้าไว้ในตามหลักพุทธพจน์อธิคถาก็ขยายดียาก็ขยายสำคัญมากกว่อีกก็เห็นนามธรรมา ท, ที่เรามาเรียนสมเคาะ์กันอย่างละเอียดะออเนี่ยในพทธามันใช่ไหมไปถึงไหนแล้วยังไม่เคยไปถึงไหนเท่าไหร่นั่นแหละอุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์กับปราณีตที่ยังมีวิตกมีวิจญาณ์ก็ก็ไม่ค่อยปรานีตเท่าไหร่นี่นะ นันก็เทียบกันเทียบเชิงกันคืออย่างนี้ได้กล่าวแล้วพูดถึงเวขาเนี่ยก็ไล่มาตามลําดับเลยที่แรกมาเริ่มแต่เริ่มเริ่มแรกเลยใช่ไหมพูดเรื่องเวทนาพูดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่แย่งชิงวัตถุการมันอยู่เนี่ยก็คือแย่งชิงเวทนาก็คือแย่งชิงสุขเวทนาบ้างใช่ไหมแล้วก็เวขาเวทนาหรือทุกขเวทนาอะไรก็แล้วแต่ที่นี้เวทนาสามนั่นเอง สัตว์โลกก็ยินดีเพลิดเพลินกันอยู่โมเมาเนี่ยนะเทมัยในวัตถุกรรมสูงไปกว่านั้นก็คือเวทนาในในในสวรรค์แต่ละชั้นก็ประณีตเวทนาในปฐมชาติเวทนาในทุติยชาติเวทนาในตติยชาติเวทนาในเจตุติชาติเวทนาในอากาสารัญญายตนาวิญญาณัญญายตนาอกินัญญายตนาแล้วก็เนวะสัญญาณะสัญญายตนา น เ, น เ, เนี่ยเวทนาเหล่านี้มันก็ประณีตเป็นไปตามลําดับแต่ที่ประณีตที่สุดคือสัญญาเวทยิจฐานนี้อันนั้นดับเวทนาดับสัญญาไเ น, นี่ยนะอุเวขาในพระสมาบัติละ่ะอุเวขาในวิปัสสนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณประณีโ ก, กเวขาในวิปัสสนาที่มีวิตกมีวิจารณคืออย่างนี้ ในขณะที่ออกจากปฐมฌานพิจารณาปฐมฌานด้วยความเป็นวิปัสนาและกระทาที่เกิดร่วมกับปฐมฌานด้วยความเป็นวิปัสนากับออกจากทุติยฌานพิจารณาทุติยฌานด้วยความเป็นวิปัสนาและกระทาที่เกิดร่วมกับทุติยฌานด้วยความเป็นวิปัสนาวิปัสนาสองอย่างเนี่ไหนประณีตกว่ากันอันไหนประณีตกว่าเงียบเลยเงียบเลย ฟังไม่ทันแล้ ว, วอ้าพูดไปที่มดดืดเเล ย, เลยลฮะยอมนบฮะเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาวิปัสสนาอันนี้แสดงว่าเวทานามีวิโตวิจารใช่ไหมเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วกลับไ ป, ปเจริญวิปัสสนาวิปัสสนา t h i มีวิโตวิญญาณไหม ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณนั่นมากล่าวตามจะตุกัญญาไม่ใช่กล่าวตามปัญญานัยนี่กาวตามนิยภาพสูตรไม่ได้กล่าวตามนิยภาพริชัมอามาเรียนพระสูตรกันอยู่อธิบายพระสูตรพระสูตรตันตปิฎกไม่ใช่ภาพริชัมปิฎกใช่ไหมอันไหนปานีตกว่าทำไมถึงปานี่ตกว่า เพราะสภาวะธรรมที่ยังมีวิตกยังมีวิจารนั่นเป็นสภาวะธรรมที่ยา ก, ยากใช่ทีนี้ปฐมฌานกับอุปจาระของปฐมฌานอันไหนประณีตอยู่กันใช่อุปจาระของปฐมฌานก็ก็ยาบ ก, กว่ า, า, กกวาปฐมฌานอุปจาระของปฐมฌานน่ะมันหยาบ ก, กว่า ใช่ไหมอยากกราบปฐมฌาอุปจาระของปฐมฌานนี่ละกาเมชันท่พยาบาทีนมีท่าอุตจารกุจจาวิจิกิชาได้หรือยังได้แล้วโดยวิขำพนันธะเขาต้องละนิวรณ์ก่อนหรือเปล่าถ้า่างนั้นคนจะเจดินวิปัสสนาได้ยังไงเบื้องต้นอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเดินเดินวิปัสสนาถ้าอุปจาระไม่ไม่การละนิวรณ์ก่อนอแล้วจะเดินบรรณานกันยังไงเนี่ยจะเดินยังไง มัเดินแบบวิถีนะวิทาแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าแบบการมาฉันทาพยาบาทีนะวิทาอุทจากกุกุจักวิจิกิจ่าเต็มใจแปะไปหมดเนี้ยอย่างนี้เดินแบบน่าจะไหวไหมไม่ไหวหรอกกลับไปนอนใชไหมตรงนี้ก็กลับไปนอนวันนี้ง่วงเหลือเกินใช่ไหมง่วงไหมก็เนี่แหลเวขาที่ในพระสมาบัติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เท่านั้นเที่ยวปนี้กว่าเวขาในพระสมมาบัติเนาะ ที่ยังมีวิโตกวิจารณ์พระรสมาบัติที่อยู่ในปฐมฌานทั้งหลายพระโสดาบันได้ปฐมฌานมีไหมพระสกอาชาคาได้แค่ปฐมฌานมีไหมพระนาคาและพระอรหันต์ได้แค่ปฐมฌานก็มีฉะนั้นพระรสมาบัติของท่านก็มีวิโตกวิจารณ์ถ้าเหล่านั้นที่ท่านได้ทุติยฌานเป็นต้นไปท่านก็ไม่พระรสมาบัติของท่านก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็เป็นอย่างเนี้ยเข้าใจใช่ไหมก็ไปแยกแยกไปพิจารณาอย่าง เขาจะได้เกิดความพอใจนี่ประนีกว่านี่ก็ไล่ไปตามลำดับนี่จบแล้วนะเนี่ยเวทนาโนปัสนาเกี่ยวกับเรื่องของที่ยังมีวิตกยังมีวิจารเป็นต้นโอ้โหกว่าจะจบตรงนี้รื่อยๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปไหนไม่ได้ไปได้ไม่ไกลสักทีเลยนะกลับไปดูตรงในพระบาลีต่อเมื่อกี้ดูอาจาัจฉริยะอ้าวดูต่ อ, อยังหน้าที่19หน้าที่ยีหน้าที่21ดีกว่าคนระนี่ผ่านไปแล้วเนาะอ้าวโมก ปาติโมกสังวรศีนคือกายสมาจ า, ารบจีสมาทานแล้วก็ปริเยสนากายสมาจารในที่นั้นทำวงเล็บเอาไว้ว่าเป็นมารยาทางกายเนาะเท้าสกาดถามพระปรมศาสสดาอีกแล้วเออตรงนี้สรุปแล้วนะพระพราพระเจ้าแสดงพระเจ้าแสดงในสักการปัญหาสูตรพอแสดงเกี่ยวในเรื่องของเวทนาที่ควรเสพพอแสดงเวทนาที่ควรเสพเบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแสดงจบแล้วอะไรเกิดขึ้น อ ะ, อะไรเกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นพอแสดงจบแล้วอะไรเกิดขึ้นกับท่าสกัดท้าสก่นั้นน่ะเป็นประสวดาบานหรือยังเป็นแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าแสดงโสมนัสเวทนาที่อาศัยเรือนและใสศเนกขม้จบแล้วก็แสดงโทมนัสเวทนาใสศัยเรือนแอาศัยเนกขม้าจบแล้วก็แสดงอุ่ยขาเวทนาที่อาศัยเนกอาศัยกะอาศัยอาศัยเรือนและใสศเนกขม้าพอจบปุ๊บ ท้าสกาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยแล้วส่วนเราก็ยังเป็นบุตรชนกันต่อไป <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วยงยินดีด้วยนะใช่ไหมยินดีเรยอม <c oughs> ยังยินดีกว่าเป็นบุรตรชนอีก <c oughs> ต้องให้นึกในใจยังไงนึกบอกว่า <c oughs> บางคนไม่อย่างนั้นนะมหา <c oughs> นี่นะเพอบางคนพอมาอ่านตรงนี้ไปเสร็จโอเ้เป็นไปได้ยังไงมาแค่นี้บรรลุเพรา นอกจากตนเองไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้ายังไม่พอยังมีงมวิจิกิจฉาได้ก็อีกนิวรณนเกิดก็อีกธรรมคือเครื่องกั้นก็นมาสลักในใจก็อีกนานแล้วนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบรรลุแล้วเขาย้ายอย่า ง, งเดียนี้ยไม่ต้องพูดเรื่องบรรลุกันแล้วตดีนี้เพราะปเป็นคางแขงเอาปัญญาของตอนเองไปเทียบเทียงกับปัญญาของชาวศึกษาก็เลยเอาไปเห็ไห เอาปัญญาของตัวเองไปเทียบเทียงกับคำสอนพระเจ้าไปแล้วเอาแม้วิชาทิฏฐิเอาวิชาที่ฐิไปเทียบเทียงกับสรรพยุติยานพระรยา ก, ก็บอกว่าขอถวายพระพรภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แลรอย่์เชื่อว่าผู้ดําเนินปฏิปทาอันสมควรเนาะและได้การได้เข้าขึงความดับส่วนแห่งสัญญาณประกอบไปด้วยปะปัญญาธรรมที่ท่านใช้คําว่าเอวังปฏิปันโนโคเดวานะมินทภพิขุปปปัญญาสัญญาสังขารนิโรธา นิโรธสารุปปฆามีปฏิปทางปฏิปันโนโหติเขก็นี่ไงปฏิภิกซูปฏิบัติอย่างนี้แหละย่อมเชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิบทานธมสมควรและจะถึงการดับร่วงจนเห็นสัญญาที่ประกอบไปด้วยปัจจัยธรรมคือสัญญาที่ประกอบไปด้วยตัณหามานะทิฏฐิถ้าปฏิบัติแบบเนี้ยปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแบบว่าออกจากเวทนาโสมนัสเวทนาที่อาศัยเรือนและเข้าหาเวทนาที่อาศัยนิคัมมปฏิบัติแบบ ออกจากโทมนานัสเวทนาที่สายเรือนก็สู่โทมนัสเวนาที่สานิกกามออกจากเบคขาเวทนาที่สาเรือนนะน้องก็สู่หาอเบคขาเวนาที่สานิกมปฏิบัติอย่างนี้แหละจะเป็นปฏิบัติทาเป็นข้อปฏิบัติที่ค้นจากสัญญาที่ประกอบด้วยปัญญรรัรธ์จะพ้นจากตัญหามนานะที่ทีได้อย่างนี้แล้วเท้าเธอบอกว่ามหาบพิษภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แหละบรรลุท่านก็ที่ตามปุ๊บปบุบเลย จบพราทามเีนาตรงนี้พระบุตรที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงถึงยอดอัตผลแต่เท้าเธอเท้าสกาบบรรลุโสดาปฏิผลเลยครับคือที่จริงเนี่ยแสดงตรงนี้นะแสดงให้โสดามากโสดาผลสกาธาคามากสกาธาภาคาผลอนาคามากอนาคาผลอรัตมะอรัตผลเลยนะแสดงปฏิปทาของผ้าเลี้ยบบุคคลทั้งหมดเลยที่จะบรรลุได้ ข้อปฏิบัติของสาวกเป็นเอกายนามัคเส้นทางของพระโสดาบันคนจะบรรลุพระโสดาบันคนจะบรรลุเป็นพระสะกท า, าคานาคาแล้วก็เป็นพธาตุหันเลยนะแต่เท้าเธอเนี่ยได้หนึ่งมัคใช่ได้เป็นพระโสดาปฏิผลเลยโสดาปฏิมัคโสดาผลเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านเลยแต่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราฟังเนี่ย ถ้า้องอาจจมาสแสดงแบบไม่ขยายสิเอาพุทธพจน์มาขยายเลยเอ า, เาพุทธพจน์มาไล่ไปตามจุดเลย เ, เห็นหรือยังปัญญายุคนี้เข้าใจยังว่าเราเป็นปัญญาอ่อนจริงๆยุคนี้ยไม่ใช่ปัญญาแก่กล้าปัญญาอ่อนใช่ไหมทั้งทั้งผู้ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังนี่นี่ขนาดขยายมาตั้งตั้งหลายหลายอาทิตย์แล้วนี่น นี่ขยายมาหลายอาทิตย์ซึ่งซึ่งพยายามนะคือคือคนในยกนี้นยะพยายามจะเดินกำศให้ต่อเนื่องไม่ได้จริงจริงสติสัมปชัญญะไม่ไม่พอไม่พอต่อการที่จะโนฟัอบบงอย่างเคารพนอบน้อมเอามาไปมามาม า, มาเยอะแล้วเนี่ยเคยใช่ไอ้มานี่เดินลองลองไปมาคนทุกกุ่เลย โอ้เราเกิดเราเกิดผิดยุคจริงๆมาผิดพลาดจริงๆเกิดผิดยุกอะตามธรรมดาอัจฉิยาสัยของพระบรมศาสดานั้นน่ยมีอัจฉิยาสัยในการที่จะแสดงธรรมเพื่อให้คนมารลุอรหัตผลหมดเลยไม่มีไม่มีที่พระองค์จะแสดงเพื่อให้บรรลุแก่พระโสดาบันเพราะอัจฉิยาสัยของพระองค์นั้นน้อมไปในอนุปาทานพุทธิภัย คืการดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นเวลาพระองค์แสดงธรรมอัตยาใส่พรองค์ก็จะน้อมแสดงธรรมทุกประการเนี่ยเพื่อให้สัตว์นั้นออกจากสังสารวัฏจริงๆไม่ใช่น้อมแพื่เป็นว่าโซดาบัณฑแต่สัตว์บางกลุ่มเนอะเมื่อแสดงธรรมเทศนาแก่คนคนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีก็ล้วนแต่ถือเอายอดอรรถผลเท่านั้นให้สังเกตดูพระธรรมที่พระเจ้ทาทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่แสดงให้กับคน ไม่ใช่แสดงเพื่อเพื่อมีอัธยาศัยคนติดอยู่ในวัฏจัน้อมที่จะแสดงเพื่อให้คนนั้นออกจากวัฏจัโดยเฉพาะออกจากวัฏจัก็ไม่ใช่แค่พระโสดาบันพระองค์จักแสดงธรรมถึงยอดเพื่อรา จ, จะผลหมดแต่ผุ้ดูชนเนี่ยไม่ได้สดับใช่ไหมไม่ได้เห็นพรริยาเจ้าไม่ได้สั่งสมในการบังธรรมของบรริยาเจ้ามาเลยไม่ได้มีศรัทธาอย่างแท้จริงในคําสอนของพ ร, ร, ร, ระบรมศาสดาเลยเป็นศรัทธาแบบปลอมๆนะ ศรัทธาปอมๆวิิยาสติสมาธิปัญญาแบบปอมๆฮนก็เลยมีแบบลักษณะอย่างนี้ก็ทำแบบเหมือนถูกก็ไม่เข้าถึงความจริงเสียทีฉะนั้นเวลาไปเจอคำสอนที่มันเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยรับไม่ไหว้ทุกันรับไม่ไหวมันสะทานสะเทือนมากท่านบางทีท่านอุปรมารนักเลยนะบางทีท่านก็โอเบรมารว่าเหมือนกับคนถูกผีเข้าเจอน้ำมนต์ มันกลัวกลัวคําสอนของพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าเป็นคําสอนแทรกไดเ้เอาเอาอะไรมาแทรกหน่อยได้เอาสิ่งที่มันไม่ใช่มาแทรกดึงอะ่ะเอาเอาเนีใช่ไหมเพราะเขาไม่เจ็บปวดเขาแต่ถ้าเอาคําสอนจริงๆมาราดรถปุ๊บก็คือเหมือนเอาน้ํามนต์ไปราดรถคนถูกผีเข้าอยมันอยู่ไม่ได้มันดิ้นพลานเลยบอกไม่ไหวก็ถึงบอกไนงะ ฉะนั้นในกรณีที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมนั้นต้องถึงระดับสูงสุดก็คือว่าไม่ว่าจะแสดงคนเดียวหลายคนนะี่ยผูเจ้าไม่ได้เกี่ยงนะหนึ่งคนผู้เจ้าก็แสดงไม่ใช่โอ้โหเราเป็นพระบรมศาสดาสร้างบารมีมายี่ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรทจะมานั่งเทศให้คนคนเดียวฟังไม่คู่ควรเลยไม่มีในความคิดของผู้เจ้านี่ไงคือผู้เจ้าก็ใช่เห็นไหมว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเดียวผู้เจ้าก็แสดง แม้แต่แสดงกับคนเดียวหลายคนฟังพระเจ้าก็แสดงถึงยอดอันธรแต่นะอุปนิสัยของสัตว์นั้นสมควรแก่ตนเนะบางพวกก็ยังไม่ได้บรรลุก็ตั้งอัธยาสายไว้พียังกลุ่มเราทั้งตั้งหลายเนะี่ยอยู่ประเภทอย่างเนี้ยบางพวกก็เป็นพระโสดาบันบางพวกก็เป็นพระสะกาธาคามีบางพวกก็เป็นพระนากาบางพวกก็เป็นพระทหารเจรงอยู่นะก็พผูยบพระเจ้าทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเพระบรมศาสดาเหมือนกับพระราชา เวเนยศัสตร์ก็เหมือนกับพวกราชกุมารเหมือนอย่างว่าในวาเวลาสวยพระกระยาหารพ ร, พระราชาก็ตักก้อนข้าวตามขนาดของพระองค์แล้วก็ป้อนพระราชกุมารนั่นแหละเราเหมือนพระราชกุมารแต่เราเป็นพระราชเป็นพระราชกุมารซุกสนไม่เชื่อพระราชาเขาอย่างยังพอจะกินอาหารแค่คำเดียวก็วิ่งไปแล้วพระเจ้าก็เรียกกลับมาใหม่หมากินใหม่หม ป้อนเธอปากกินได้คําเดียวยังไม่ทันเคี้ยวข้าวเลยวิ่งไปเป็นมัวเล่นเข้าใจั้มส่วนราชกุมารบางท่านท่านตั้งใจตั้งใจเลยจะกินให้อิ่มอะพระราชาก็ตักให้กินอิ่มได้บรรู้เลยบางคนได้ยันอาหารมรรคอาหารผล น, นี่เราไม่ได้สักมรรคซักผลเลยเนี่ยพราะเราเป็นราชกุมารดือ้อใช่ไหมวิ่งเล่นซุกซนอ่ะเข้าใจยังมหาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตัก ตักให้กินบางทีไม่ไม่ถูกไม่ทานกินทันแล้วอาปากยังง่อมง่อก็รีบไปเล่นทันแล้ว <c oughs> เรียกมาใม่ <c oughs> พุทธจ้มีพระหมหากรุงยิงเนะเรียกกระมาใหม่อาตักให้ให้กินบางทีท่านท่าจะลิ้มไหม่ลิ้มเยอไปแล้วอยู่เงี้ยอมอมอมแล้วขายทิ้งส่งผมไม่ชอบไม่ชอบพระธรรมที่แท้ จ, จริงไม่มีอะไรปนน่ะถ้ามีอะไรปนหน่อยอย่างเมื่อกี้ใช่ไหม มีของที่มันไม่ใช่คําสอนพผลอ ม, ลมันถูกกิเลสมันก็กินใหญ่ชื่นใจแล้วก็เจ็บปวดเพราะมีพิษด้วยของนั่นน่ะใช่ไหมมันมีพิษด้วยของที่มีพิษเนี่ยชอบอีกกินมากเลยไอ้ของทูกๆไอ้นั่นเป็นประโยชน์กับร่างกายโอ้ไม่เคยชอบก็กินของมีพิษก็เป็นโทษแล้วก็แล้วก็ตายไปเขาใชยังยอมมองคนเราเป็นราชกุมารสุขส่วนเนาะแต่ดีเป็นราชกุมาร น, นะ ก็เป็นทายาทที่ไม่มีโอกาสได้เป็นพระราชาเขาว่าเป็นน้เป็นราชกุมารที่ไม่ได้มีโอกาสได้เป็นพระราชาเข้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยพระราชาจะมอบสมบัติให้ไหมไม่ใช่ว่าพระราช่ไม่ใชตาม่ใช่ไม่ใช่ไมช่ไ่ใช่ไ่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รช่ไม่ใไม่ใช่่ใช่ม่่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไา่ใช่ไ้่ใช่ไ้่ใช่ไ้่ใช่ไม่ใชก่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ